วิญญาณขันทุกขมูลกวาลหนึ่งรอยี่สิบเอ็ดบรรดาขันห้านั้นวิญญาณขันเป็นฉไนวิญญาณขันหมวดละหนึ่งได้แก่วิญญาณขันที่สัมปยุตด้วยผัสสะวิญญาณขันหมวดละสองได้แก่วิญญาณขันที่มีเหตุก็มีที่ไม่มีเหตุก็มีวิญญาณขันหมวดละสามได้แก่วิญญาณขันที่เป็นกุศลก็มี ที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยากต ก, ก็มีสัญญาขันหมวดละสได้แก่วิญญาณขันที่เป็นกามาวจรก็มีที่เป็นบรูปาวจรก็มีที่เป็นอรูปาวจรก็มีที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกข์ก็มีวิญญาณขันหมวดละห้าได้แก่วิญญาณขันที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขขินสีก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขินสีก็มี ที่สัมปยุทธ์ด้วยโสมนัสสินสีก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยโทมนัสสินสีก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยอุเปกขินสีก็มีวิญญาณขันหมดละห้ามีด้วยอาการอย่างนี้วิญญาณขันหมดระหกได้แก่จักขุวิญญาณที่โสตวิญญาณคาณวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณและมโนวิญญาณวิญญาณขันหมดระหก มีด้วยอาการอย่างนี้วิญญาณขันหมวดละ7ได้แก่จักขู่วิญญาณกายวิญญาณมโนธาต์และมโนวิญญาณธาตวิญญาณขันหมวดละ7มีด้วยอาการอย่างนี้วิญญาณขันหมวดละ8ได้แก่จักขู่วิญญาณกายวิญญาณที่สะหรคตด้วยสุขก็มีที่สหรคตด้วยทุกข์ก็มีมโนธาต์และมโนวิญญาณธาต วิ ญ, ญญาณขันหมวดละ8ปมีด้วยอาการอย่างนี้วิญญาณขันหมวดละ9้าได้แก่จะกุวิญญาณกายวิญญาณมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยากริตก็มีวิญญาณขันหมวดละ9้ามีด้วยอาการอย่างนี้วิญญาณขันหมวดละสิบได้แก่จะกุวิญญาณ กายวิญญาณที่สะ h o r ด้วยสุขก็มีที่สะ h o r ด้วยทุกข์ก็มีมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยากฤตก็มีวิญญาณขันหมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้122วิญญาณขันหมวดละหนึ่งได้แก่วิญญาณขันที่สัมปยุทธได้ผัสสะ วิญญาณขันหมวดละสองได้แก่วิญญาณขันที่มีเหตุก็มีที่ไม่มีเหตุก็มีวิญญาณขันหมวดละสาได้แก่วิญญาณขันที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาก็มีที่สัมปยุตด้วยอัตุขมัสุขเวทนาก็มีวิญญาณขันที่เป็นวิบากก็มีที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีที่ไม่เป็นวิบาก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 ที่เป็นของอเสัขบุคคลก็มีที่ไม่เป็นของเสบขบุคคลและอาศัขบุคคลก็มีวิญญาณขันธ์ที่เป็นปริตะก็มีที่เป็นมหัคคตะก็มีที่เป็นอปปามะนะก็มีวิญญาณขันธ์ที่มีปริตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมหคตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีอปปมานะเป็นอารมณ์ก็มีวิญญาณขันธ์ที่เป็นชั้นต่ําก็มี ที DR, um Un ่เป็นชั้นกลางก็มีที่เป็นชั้นประณีตก็มีวิญญาณขันที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนก็มีที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนก็มีที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นก็มีวิญญาณขันที่มีมรรคเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมรรคเป็นเหตุก็มีที่มีมรรคเป็นอธิบดีก็มีวิญญาณขันที่เกิด ขึ้นก็มีที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มีที่จะเกิดขึ้นแน่นอนก็มีวิญญาณขันที่เป็นอดีตก็มีที่เป็นนาคาตก็มีที่เป็นปัจจุบันก็มีวิญญาณขันที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ก็มีที่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์ก็มีที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ก็มี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 ได้แก่วิญญาณขันที่สัมปยุทธ์ด้วยผัสสะวิญญาณขันหมวดละสองได้แก่วิญญาณขันที่สัมปยุทธ์ด้วยเหตุก็มีที่วิปยุทธจากเหตุก็มีวิญญาณขันที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุก็มีที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุก็มีวิญญาณขันที่เป็นโลกิยะก็มีที่เป็นโลกุตระก็มีวิญญาณขันที่จิตบางดวงรู้ได้ก็มี ที่จิตบางดวงรู้ hey, ไม่ได้ก so ็มีวิญญาณขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีวิญญาณขันธ์ดดที่สัมปะยุทธ์ด้วยอาสวะก็มีที่วิปปะยุทธ์จากอาสวะก็มีวิญญาณขันธ์ที่วิปปะยุทธ์จากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของ huh อาสวะก็มีที่วิปปะยุทธ์จากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มี วิญญาณขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มีที hearts, ่ไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มีวิญญาณขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์ก็มีที่วิปปยุทธ์จากสังโยชน์ก็มีวิญญาณขันธ์ที่วิปปยุทธ์จากสังโยชน์แต่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มีที่วิปปยุทธ์จากสังโยชน์และไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มีวิญญาณขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของขันธ์ก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของขันธ์ก็มี วิญญาณขันธ์ที่สัมปะยุทธ์ด้วยคันธะก็มีที่วิปปะยุทธ์จากคันธะก็มีวิญญาณขันธ์ที่วิปปยุทธ์จากคันธะแต่เป็นอารมณ์ของคันธะก็มีที่วิปปะยุทธ์จากคันธะและไม่เป็นอารมณ์ของคันธะก็มีวิญญาณขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของโอคะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของโอคะก็มีวิญญาณขันธ์ที่สัมปะยุทธ์ด้วยโอคะก็มีที่วิปปะยุทธ์จากโอคะก็มี วิญญาณขันธ์ที่วิปยุจจากโอคะแต่เป็นอารมณ์ของโอคะก็มีที่วิปยุจจากโอคะและไม่เป็นอารมณ์ของโอคะก็มีวิญญาณขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของโยคะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของโยคะก็มีวิญญาณขันธ์ที่สัมปยุจด้วยโยคะก็มีที่วิปยุจจากโยคะก็มีวิญญาณขันธ์ที่วิปยุจจากโยคะ แต่เป็นอารมณ์ของโยคะก็มีที่ว em SO ิปปยุตจากโยคะและไม่เป็นอารมณ์ของโยคะก็มีวิญญาณขันที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มีวิญญาณขันที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์ก็มีที่วิปปยุตจากนิวรณ์ก็มีวิญญาณขันที่วิปปยุตจากนิวรณ์แต่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มี ที่วิปยุตจากนิวรณ์และไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มีวิญญาณขันที่เป็นอารมณ์ของปรามาตก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของปรามาตก็มีวิญญาณขันที่สัมปยุตด้วยปรามาตก็มีที่วิปยุตจากปรามาตก็มีวิญญาณขันที่วิปยุตจากปรามาต์แต่เป็นอารมณ์ของปรามาตก็มีที่วิปยุตจากปรามาต์และไม่เป็นอารมณ์ของปรามาตก็มี วิญญาณขันธ์ที่กรมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือก็มีที่กรมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือก็มีวิญญาณขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีวิญญาณขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานก็มีที่วิปปะยุทธ์จากอุปาทานก็มีวิญญาณขันธ์ที่วิปปะยุทธ์จากอุปาทาน แต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่วิปยุ์จากอุปาทานและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีวิญญาณขันที่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีวิญญาณขันที่กิเลสทาให้เศร้าหมองก็มีที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองก็มีวิญญาณขันที่สัมปยุ์ด้วยกิเลสก็มี ที่วิปปยุจจากกิเลสก็มีวิญญาณขันธ์ที่วิปปยุจจากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่วิปปยุจจากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีวิญญาณขันธ์ที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักก็มีที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักก็มีวิญญาณขันธ์ที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาก็มีที่ไม่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาก็มี วิญญาณขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมภะก็มีที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมภะก็มีวิญญาณขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาก็มีที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามก็มีวิญญาณขันธ์ที่มีวิตกก็มีที่ไม่มีวิตกก็มีวิญญาณขันธ์ที่มีวิจารณ์ก็มีที่ไม่มีวิจารณ์ก็มี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 ที่ไม่เป็นกามาวจรก็มีวิญญาณขันธ์ที่เป็นมรูปาวจรก็มีที่ไม่เป็นมรูปาวจรก็มีวิญญาณขันธ์ที่เป็นอรูปาวจรก็มีที่ไม่เป็นอรูปาวจรก็มีวิญญาณขันธ์ที่นับเนื่องในวัตทุกข์ก็มีที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกข์ก็มีวิญญาณขันธ์ที่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุก็มี ที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัฏฏทุกก็มีวิญญาณขันธ์ที่ให้ผลแน่นอนก็มีที่ให้ผลไม่แน่นอนก็มีวิญญาณขันธ์ที่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าก็มีที่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าก็มีวิญญาณขันธ์ที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ก็มีวิญญาณขันธ์หมวดละสามเด้แก่วิญญาณขันธ์ที่เป็นกุศลก็มี ที่เป็นอากุศลก็มีที่เป็นอัพยกริตก็มีวิญญาณขันหมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้หนึ่งยี่สิบสวิญญาณขันหมวดละหนึ่งได้แก่วิญญาณขันที่สัมปยุตได้ผัสสะวิญญาณขันหมวดละสองได้แก่วิญญาณขันที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องให้ก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องให้ก็มีวิญญาณขันหมวดละสาม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 มีด้วยอาการอย่างนี้ทุกกะมูละกะวาลจบติกะมูละกะวาลหนึ่งยี่สิบห้าวิญญาณขันหมวดละหนึ่งได้แก่วิญญาณขันที่สัมปยุต ด, ด้วยผัสสะวิญญาณขันหมวดละสองได้แก่วิญญาณขันที่มีเหตุก็มีที่ไม่มีเหตุก็มีวิญญาณขันหมวดละสาม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 วิญญาณขันธ์ที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ก็มีวิญญาณขันธ์หมวดละสได้แก่วิญญาณขันธ์ที่เป็ น, นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยากฤตก็มีวิญญาณขันธ์หมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้หนึ่งยยีวิญญาณขันธ์หมวดละหนึ่งได้แก่วิญญาณขันธ์ที่สัมประยุทธ์ได้ผัสสะ วิญญาณขันหมวดละสองได้แก่วิญญาณขันท hmm ี hmm. ่มีเหตุก็มีท um ี่ไม่มีเหตุก็มีวิญญาณขันหมวดละสได้แก่วิญญาณขันที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาก็มีที่สัมปยุตด้วยอัตุขมสุขเวทนาก็มีวิญญาณขันที่เป็นวิบากก็มีวิญญาณขันที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ก็มี ที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีวิญญาณขันหมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้ 128, ญญนห 1, นึ่งยยีวิญญาณขันหมวดละหนึ่งได้แก่วิญญาณขันที่สัมปะยุทธ์ด้วยผัสสะวิญญาณขันหมวดละสองได้แก่วิญญาณขันที่สัมปยุทธ์ด้วยเหตุก็มีที่วิบปยุทธ์จากเหตุก็มี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 อุปโตวัตถกวาลหนึยยวิญญาณขันโมทต์ละหนึ่งได้แก่วิญญาณขันที่สัมปยุตได้ผัสสะวิญญาณขันโมทต์ละสองได้แก่วิญญาณขันที่มีเหตุก็มีที่ไม่มีเหตุก็มีวิญญาณขันโมทต์ละสามได้แก่วิญญาณขันที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยกฤะก็มีวิญญาณขันโมทต์ละสิบ มีด้วยอาการอย่างนี้1นึ130่งวิญญาณขันหมวดละหนึ่งได้แก่วิญญาณขันที่สัมปะยุทธ์ด้วยผัสสะวิญญาณขันหมวดละสองได้แก่วิญญาณขันที่สัมปะยุทธ์ด้วยเหตุก็มีที่วิปปะยุทธ์จากเหตุก็มีวิญญาณขันหมวดละสได้แก่วิญญาณขันที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัม zoo, ปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วย ทุกขมัสสุขเวทนาก็มีวิญญาณขันหมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้หนึ่งสอดวิญญาณขันหมวดละหนึ่งได้แก่วิญญาณขันที่สัมปยุธทธได้ผัสสะวิญญาณขันหมวดละสองได้แก่วิญญาณขันที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุก็มีที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุก็มีวิญญาณขันหมวดละสาได้แก่วิญญาณขันที่เป็นวิบากก็มี ที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีวิญญาณขันหมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้หนึ่งร้สองวิญญาณขันหมวดละหนึ่งได้แก่วิญญาณขันที่สัมปยุทธ์ด้วยผัสสะวิญญาณขันหมวดละสองได้แก่วิญญาณขันที่เป็นโลกิยะก็มีที่เป็นโลกุตระก็มีวิญญาณขันหมวดละสาม ได้แก่วิญญาณขันธ์ที่กรมันประกอบได้ตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่กรมันประกอบได้ตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่กรมันประกอบได้ตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีวิญญาณขันธ์หมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้133 วิญญาณขันหมวทละหนึ่งได้แก่วิญญาณขันที่สัมปยุตยผัสสะวิญญาณขันหมวดละสองได้แก่วิญญาณขันที่จิตบางดวงรู้ได้ก็มีที่จิตบางดวงรู้ไม่ได้ก็มีวิญญาณขันหมวทละสาได้แก่วิญญาณขันที่กิเลสทําให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มี ที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีวิญญาณขันหมวดละสิมีด้วยอาการอย่างนี้หนึวิญญาณขันหมวดละหนึ่งได้แก่วิญญาณขันที่สัมปยุทธด้วยผัสสะวิญญาณขันหมวดละสองได้แก่วิญญาณขันที่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีวิญญาณขันหมวดละสา ได้แก่วิญญาณขันที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ก็มีที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ก็มีที่ไม่มีทั้งวิตตกและวิจาร์ก็มีวิญญาณขันหมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้13ึหวิญญาณขันหมวดละหนึ่งได้แก่วิญญาณขันที่สัมประยุทธ์ด้วยผัสสะวิญญาณขันหมวดละสองได้แก่วิญญาณขันที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะก็มี ที่วิปปยุตจากอาสวะก็มีวิญญาณขันหมวดละ3ได้แก่วิญญาณขันที่สหอรคตด้วยปีติก็มีที่สหอรคตด้วยสุขก็มีที่สหอรคตด้วยอุเบกขาก็มีวิญญาณขันหมวดละ10มีด้วยอาการอย่างนี้หนึวิญญาณขันหมวดละ1ได้แก่วิญญาณขันที่สัมปยุตด้วยผัสสะ วิญญาณขันหมวดละสองได้แก่วิญญาณขันที่วิปยุจจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีที่วิปยุจจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีวิญญาณขันหมวดละสาได้แก่วิญญาณขันที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักก็มีที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามก็มีที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัฏิมักและมักเบื้องบนสามก็มี วิญญาณขันหมวดละจิบมีด้วยอาการอย่างนี้